บทที่ยี่สิบสองอุปชีวกอาคัรตุกะคนสุดท้ายลากลับไปเมื่อเวลาบ่ายคร้อยท่านพระครูกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือก็พอดีนายสมชายนำพระพิสุรูปหนึ่งเข้ามาในกุฏิผู้มาใหม่ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้ง ท่านพระครูรับไหว้แล้วก็ทักขึ้นว่าท่านสมพานเองหลอกหรือไปยังไงมายังไงกันเหล่านี่ผมว่าเรือจ้างเข้ามาส่งครับมีเรื่องร้อนใจจะมาปรึกษาท่านพระครูคนพูดมีท่าทางอมทุกข์หน้าตาดูหมองคร้ำไรสง่าราศีผิดกับผู้ที่อยู่ในสมณเพศทั่ ว, วไปนายสมชายรินน้ำชาใส่ถ้วยมาประเคน แล้วก็ลุกออกไปท่านสมพาน์คงไม่อยากให้เขาอยู่รับฟังเรื่องร้อนใจของท่านเป็นแน่มีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรหรือดูท่าทางท่านไม่มีความสุขเลยนี่เรื่องคอขาดบาดตายเชวละครับสมพัน์วัดฝั่งตรงข้ามตอบพลางหยิบธนบัตรสองปึกใหญ่ออกมาจากย่างวางไว้ตรงหน้าท่านเจ้าของกุฏิตั้งใจจะใช้เงินเป็นเครื่องล่อ ให้ธุระของตนบรรลุจุดหมายท่านพระครูเห็นไม่ชอบมาพากลจึงกล่าวเตือนว่าท่านสมพานเอาเงินออกมาวางทำไมตั้งมากมายถึงปานนั้นผมว่าเก็บใส่ ย, ย่ามไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นมันจะไม่ดีผมจะถวายท่านพระครูเงินสองหมื่นที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตเลยแต่ก็จะตัดใจถวายถ้าท่านช่วยผมได้สาเร็จ บอกตามตรงว่าเสียดายใจแทบขาดคนพูดมีเจตนาจะให้ค่าของเงินทองหมื่นนั้นดูมากมายมหาศาลหากคนฟังกลับกล่าวเสียงเรียบว่าเสียดายก็เก็บไว้เซตเธอรับรองว่าถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยจนสุดความสามารถโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นถึงผมจะไม่เคยมีเงินมากมายเท่านี้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 เงินสำคัญมากเวลามีเรื่องเดือดร้อนมันก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ท่านพระครูเชื่อผมเถอะลองไม่มีเงินซะอย่างเดียวเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมถือคติว่านักบวชต้องดำเนินชีวิตอย่างสันโดษการสะสมเงินทองเป็นเรื่องของคารวาสเขา ถ้าเชนั้นผมก็นิมนต์ท่านสันโดษต่อไปก็แล้วกันส่วนผมทําอย่างท่านไม่ได้เพราะผมไม่ชอบตั้งอยู่ในความประมาทท่านพระครูอยากจะย้อนว่าการกระทําของท่านสมพานนั่นแหละที่เรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทคือประมาทมัวเมาในลาบสักการะแต่ท่านก็ไม่พูดเพราะรู้ว่าพูดกับคนมิจฉาทิฏฐินั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งคนคนนั้นเป็นพระด้วยแล้วก็จะพึงนึกถึงคำพังเพยที่ว่าทิฏฐิพระมานะครูให้มากๆท่านว่ามีเรื่องจะปรึกษาไม่ใช่หรือท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องคุยครับผมจะมาขอความกรุณาจากท่านโปรดช่วยผมด้วยผมก็เห็นมีแต่ท่านคนเดียวนี่แหละที่จะช่วยได้นึกว่าเอาบุญเถอะ ก็ผมยังไม่รู้เรื่องราวและจะไปช่วยท่านได้ยังไงเล่าให้ผมฟังก่อนสิสมพานไวเดียวกับท่านพระครูจึงเล่าพวกชาวบ้านเขาจะจับผมศึกเขาหาว่าผมต้องอาบัตประราชิกและท่านเป็นอย่างที่เขากล่าวหาหรือเปล่าเล่าเปล่าเปล่าครับตอบไม่เต็มเสียงนะักอ้าวก็ในเมื่อท่านไม่เด็ดเป็น และจะต้องไปเดือดร้อนทำไมกันไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงไมายังไงทำไมเขาถึงมากราวหากันง่ายๆอย่างนี้ท่านสม่านรีบคล้อยตามว่านั่นสิครับอยู่ดีๆเขามากราวหาผมเรื่องไม่มีมูลความจริงก็มากราวหากันได้ประโยคหลังบนเสียงอ่อยๆเอแต่โบราณเขาว่าไม่มีมูลฝอยหมามันไม่ขี่ ท่านอย่าปดผมดีกว่าเล่าไปตามตรงเธอว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยขอให้พูดความจริงก็แล้วกันเมื่อท่านพระครูพูดอย่างนี้คนฟังก็เลยต้องเล่าไปตามความเป็นจริงแต่ไม่ทั้งหมดว่าเขาหาว่าผมเสพเมทุนคือว่าผู้หญิงเข้ามาปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับผมเขาก็มากับแม่ทุกครั้งแต่วันนั้นแม่เขาป่วยมาไม่ได้ เขาก็เลยต้องมาคนเดียวแล้วยังไงท่านพระครูซกักเพราะเห็นเรื่องกาลังจะเข้าเขาท่าทางคนเล่าก็มีพิรุษชวนให้สงสัยนักเขาก็มาปรึกษาผมโดยที่ไม่มีแม่มาเป็นเพื่อนแล้วปรึกษากันที่ไหนท่านพระครูสวมบทอายการก็ปรึกษากันที่กุฏิผมมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มี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 แล้วก็จับผมไว้แน่นเขาก็ตั้งข้อหาว่าผมนะเสพเมทุนจะจับผมสึกท่านพระครูไม่แน่ใจว่าเรื่องที่สมภารเล่ามาจะเป็นความจริงทั้งหมดจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้รู้สึกเศร้าสลดใจที่เห็นผู้อยู่ใต้ร่มกาสวพัดประพฤตินอกรีดนอกรอยเช่นนี้แล้วท่านจะให้ผมช่วยอะไร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 ลองเอาใจเข้ามาใส่ใจเราดูบ้างเป็นไรถ้าท่านเป็นชาวบ้านไม่เห็นพระธรรมอย่างนี้ท่านจะคิดยังไงท่านจะยังศรัทธายังเคารพพระรูปนั้นอยู่หรือผมขอตาหนิท่านตรงๆว่าท่านทำร้ายจิตใจชาวบ้านมากเกินไปแล้วก็ยังทำลายความเคารพนับถือที่พวกเขามีต่อท่าน รู้ตัวหรือเปล่าว่าท่านกำลังทำให้พระาศาสนาต้องมัวหมองผมรู้สึกเสียใจมากเสียใจจริงๆคนฟังก้มหน้างุดอยากจะยอมรับผิดหากเจ้าทิฐิมานะก็ยุโยงว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมท่านเป็นถึงสมพานจะยอมแพ้ไม่ได้ให้กำลังใจจากทิฐิมานะเช่นนี้ท่านสมพานจึงเถียงข้างๆคูๆว่า ท่านพระครูพูดยังกับว่าผมเป็นคนผิดใครผิดใครถูกท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วผมขอถามท่านหน่อยเถอะสิขาบท227้อ่ข้อนะท่านเหลืออยู่กี่ข้อเอาละไหนๆก็ตั้งใจมาขอคำปรึกษาผมก็จะขอถือโอกาสแนะนำว่าท่านศึกเสียเธอศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนที่ให้สิ้นเรื่องสิ้นราว คืนอยู่ต่อไปก็รังเจตธรรมให้พระศาสนาต้องมัวมองหนักขึ้นท่านจะมาติดอยู่กับตำแหน่งสมภารได้ยังไงในเมื่อชาวบ้านเขาไม่ต้องการท่านแล้วอย่าเยียบเรือสองแคมเลยนะท่านไม่ช่วยผมจริงหรือผมรู้ว่าท่านช่วยได้เสียแรงที่เรารู้จักกันมานานอีกฝ่ายตัดพอก็ในเมื่อรู้จักมานาน ท่านก็น่าจะรู้นิสัยผมดีอย่าให้ผมต้องทำผิดไปอีกคนนึงเลยรู้ตัวหรือเปล่าผมผิดหวังมากที่ท่านเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีไม่น่าเลยท่านจะติจะว่ายังไงผมยอมทั้งนั้นขออย่างเดียวช่วยผมด้วยที่ผมบากหน้ามาพึ่งก็เพราะเห็นว่าท่านเป็นคนมีเมตตาและท่านก็ไม่เมตตาผมเลยเชยหรือ สมภารวัดฝั่งตรงข้ามยังคงรบเรา้าเมตตามันมีขอบเขตของมันนะท่านถ้าเรามเมตตาคนในทางที่ผิดก็เท่ากับช่วยจุดให้เขาลงนรกเร็วขึ้นท่านเชื่อผมสักครั้งศึกซะดีกว่าจะมาคาราคาซังอยู่อย่างนี้ผมจะศึกได้ยังไงท่านคิดดูก็แล้วกันอายุผมป่าเข้าไปตั้งห้าสิบแล้ว จะไปทำมาหากินอะไรได้เคยชินกับการเป็นผู้รับศึกออกไปแล้วใครเขาจะเอาเงินเอาทองมาถวายข้างผู้หญิงเขาก็อายุเพิ่ง1ิเจการงานก็ยังไม่ได้ทำเพราะยังเรียนไม่จบที่สำคัญกว่านั้นก็คือการเป็นเจ้าอาวาสใช่จะเป็นกันง่ายเมื่อไรกันก็ในเมื่อท่านยังห่วงห่วงตำแหนง่งและทำไมถึงไม่รักษาไว้ให้ดีละ่ะมีประโยชน์อะไรที่จะมานึกเสียดายเอาตอนนี้ มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วท่านยิ่งพูดผมก็ยิ่งเศร้าใจหนักขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าท่านมาบวชก็เพื่อมาหาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นผมคิดว่าท่านมาบวชเพื่อละกิเลสซสอีกที่แท้ท่านก็เป็นอุปชีวิกาบวชเพื่อหาเลี้ยงชีพจะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของผมแต่ว่าท่านน่ะ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 ผมจะไม่ยอมจำนนต่อเงินแต่จะยอมจำนนต่อความถูกต้องเก็บเงินของท่านไปเสียเถอะผมไม่อยากได้มันหรอกสมพานวัดป่ามาม่วงรู้สึกไม่พอใจในการกระทำของอีกฝ่ายต่อเมื่อเราลึกรู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความไม่พอใจนั้นก็เปลี่ยนเป็นเมตตาสงสารจึงพูดปลอบใจผู้เป็นอคันตุกะว่า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 เคยอ่านไหมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ส4สเคยครับผมจำได้ด้วยงั้นก็ดีแล้วท่านลองพิจารณาไปตามพุทธวจนะที่มามาเนี้ยบางทีท่านอาจจะสบายใจขึ้นคิดซะว่ามันเป็นกรรมของท่านท่านเป็นผู้กระทำก็ต้องรับผลด้วยตัวท่านเองไม่มีใครหนีกรรมไปได้ ดูอย่างพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นถึงพระอระหันต์ทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ต้องมาถูกโจรฆ่าตายเพราะกรรมทิฏฐทำไว้กับบิดามานดาในอดีตชาติถ้าท่านสมพานเชื่อผมก็ขอให้ท่านตามตามที่ผมแนะนำผมจะเชื่อท่านได้ยังไงก็ผมเชื่อท่านก็แปลว่าผมเป็นผู้แพ้และผมเป็นใครผมน่าเป็นถึงสมพาน เรื่องอะไรจะไปยอมแพ้พวกชาวบ้านคนพูดพูดด้วยทิฐิท่านพระครูรู้สึกกระอาหากใจเย็นพอที่จะพูดต่อไปว่าท่านลืมแล้วหรือคนที่เป็นพระนั้นน่าจะต้องรู้จักแพ้พระต้องเป็นผู้แพ้อยู่วันยังค่ำไม่งั้นโบราณคงไม่สอนไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารท่านอยากจะเป็นพระหรือว่าเป็นมารละ่ะ แต่ผมไม่เชื่อโบราณผมถือคติว่าเชื่อโบราณบานบรีฉะนั้นผมไม่เชื่อเด็ดขาดและผมก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเมื่อเห็นว่าท่านพระครูไม่ช่วยแน่แล้วสมพานวัดฝั่งตรงข้ามก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะมาอดกลั้นความโกรธเอาไว้ท่านจึงพูดด้วยความโกรธแค้นว่าดีแล้วท่านจำไว้นะว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว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 ผมเห็นมานักต่อ น, นักแล้ววัดที่มีชีอยู่วันดีคืนดีชีก็ตั้งท้องแต่ต้องไม่ใช่ชีวัดป่ามะม่วงจริงอยู่ถึงวัดผมจะมีชีแต่ผมก็สร้างสำนักชีให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ให้มาจุนจ้านวุ่นวายกับพระแล้วก็ห้ามพระเข้าไปในเขตสำนักของชีใครไม่เชื่อฟังผมก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่น และตัวผมก็ทําตามกฎเช่นเดียวกับคนอื่นๆไม่เคยถืออภิสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทําเลอะเลือนลามปามเหมือนท่านหรอกเมื่อฝ่ายนั้นว่ามาท่านก็เลยว่าตอบเอาบ้างอยากจะสอนอคันตุ ก, กะทางอ้อมด้วยค่อยคําของสมพานวัดป่ามะม่วงทําให้สมพานวัดฝั่งตรงข้ามร้อนรุ่มคลุ้มคลั่งเราวกับนั่งอยู่บนกองเพลิง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 ผมเสียใจยนี่ถ้าผมไม่ประมาทก็คงจะไม่พลาดพลั้งถึงปานนี้ผมขอสารภาพว่าผมต้องอับบาดประราชิกไม่รู้ผีป่าซาตานตนไหนที่มาดนใจให้ผมเห็นกลงจากเป็นดอกบัวอดโยนความผิดให้พ้นตัวไม่ได้อย่าไปโทษผีที่ไหนเลยท่านโทษตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าเราขาดสติถึงได้เป็นเช่นนี้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 ถึงเราจะต้องจุดติก็ต้องจุดติท่านหมายถึงการเคลื่อนจากเพศพรหมจันทร์แต่ผมเสียใจเสียใจและก็เสียดายที่ไม่สามารถรักษาเพศพรหมจันทร์ไว้ได้ถึงอย่างไรผมก็อยากจะเป็นพระมากกว่าเป็นฆราษฎรนี่ถ้าศึกออกไปก็ต้องไปอยู่ที่อื่นคงทนไม่ได้ที่จะต้องถูกเย่ะเย้ยถักท่างจากคนที่เคยกราบเคยไหว้ผมมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต พูดเสียงเครือและท่านพระครูก็เเห็นน้าตาของลูกผู้ชายไวยเดียวกับท่านรู้สึกสงสารเห็นใจหากก็ช่วยอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมใดใครก่อเมื่อเขาก่อกรรมสร้างกรรมเขาก็ต้องรับผลของมันไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือร้ายหวานหรือขมก็ต้องอมต้องกลืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วท่านคิดจะไปอยู่ที่ไหน ท่านมีญาติพี่น้องที่ไหนบ้างไม่มีเลยพ่อแม่ญาติพี่น้องผมตายหมดเหลือแต่ห ล, ลานๆซึ่งไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานคงจำกันไม่ได้แล้วแต่ถึงจำได้เขาก็คงไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคนต้องอาบัติประราชิกอย่างผมคราวนี้ท่านถึงกับสอือกสะอื่นออกมารู้สึกอัพยศยอดสูเป็นที่สุดท่านพระครูเองก็รู้สึกรันทดใจ จนไม่รู้จะกล่าวปรอบว่าอย่างไรต่างนั่งนิ่งกันไปพักหนึ่งแล้วอาคารตุกะจึงพูดขึ้นว่าผมเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนขอบคุณที่ท่านพระครูให้สติผมเพิ่งประจักษ์เดี๋ยวนี้เองว่าท่านมีเมตตาอย่างแท้จริงเพราะท่านช่วยผมในทางที่ผิดก็เท่ากับุดให้ผมดิ่งลงนรกเร็วขึ้นต้องขอโทษที่รู้สึกโกรธท่านในตอนแรกผมลาละครับ พูดจบก็ก้มลงกราบเจ้าของกุฏิสามครั้งท่านพระครูรับไหว้และพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าขอให้ท่านโชคดีมีอะไรที่ผมจะช่วยได้ก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจผมยินดีจะช่วยทุกเรื่องที่ไม่ผิดทรานองครองธรรมขอให้นึกถึงผมบ้างครับผมจะนึกถึงท่านพระครูเป็นคนแรกผมไปละครับ แล้วกลับยังไงล่ะถามอย่างเป็นห่วงเรือเ้ารออยู่ครับผมเหมาเรือมางั้นผมจะเดินไปส่งที่ท่าน้ำอย่าเลยครับนี่ก็รบกวนเวลาท่านมากแล้วเห็นว่างานท่านยุ่งมากไม่ใช่หรืออาคันตุกะพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ตั้งใจจะไปส่งแล้วเสียเวลาแค่ห้านาทีสิบนาทีจะเป็นไรไป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 พูดพร้อมกับยกมือประนมไหว้ยอย่างนอบน้อมท่านพระครูยกมือรับไหว้แล้วยืนรอกระทั่งเรือลำน้อยเคลื่อนออกจากฝั่งตะวันรอนอ่อนแสงลงมามากแล้วเงาของพระกับคนแจวเรือก็ทอดลงบนพื้นน้ำนั้นเห็นได้ชัดเจน ท่านพระครูรู้สึกตกใจที่เงาของท่านสมพานไม่มีศีสษะรู้ได้ในทันทีว่าภิกษุรูปนั้นชะตาขาดท่านจึงหาทางช่วยเหลือด้วยการรีบกลับมาแผ่เมตตาให้อย่างน้อยก็ช่วยให้วิญญาณดวงนั้นไปสู่ทุกติในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องตกไปอยู่ในที่นั้นชั่วกับชัว่วกานท่านช่วยได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ขึ้นจากเรือแล้ว ท่านสมพานต้องเดินต่อไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจึงจะถึงวัดดวงตะวันเคลื่อนลงตามเข้าไปทุกขณะหนทางแคบๆที่สองฟากข้างเป็นป่ารกเรือจึงดูมืดคลึ้มกว่าปกติท่านเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเพราะอยากจะถึงวัดก่อนเวลางูงเงี้ยวออกหากินเหลืออีกไม่กี่สิบก้าวก็จะพ้นแนวป่าและท่านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใกล้ตัวหลายนัด รู้สึกเจ็บแ็บที่ขั่วหัวใจแล้วความรู้สึกทั้งมวลก็ดับวูบลงในขณะที่นึกถึงท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเป็นสำนึกสุดท้ายข่าวการมรณาภาพของท่านสมพานเพราะถูกรอบยิงเป็นที่โจทย์จันกันทั่วไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็เลยเป็นที่รู้กันทั้งตำบลและอำเภอนอกจากท่านพระครูแล้วไม่มีผู้ใด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 เขาจึงตามมาฆ่าแม้ท่านจะอยู่ในเพศบรรพชิตแต่เมื่อกระทำกรรมชั่วกรรมดีถ้าสั่งสมไว้ก็จึงหมดลงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วมาให้ผลท่านสมภารได้ชดใช้เวรกรรมที่ท่านก่อแล้ว